คู่แท้เป็นแค่คำหลอกๆจริงๆมีแต่คู่บุญหรือคนที่ใ้ที่สุดคำว่าคู่แท้จะทําให้คุณนึกถึงคู่ที่ติดตามกันไปทุกภพทุกชาติเป็นตัวเป็นตนจับจองกันอย่างท้าววอไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งธรรมชาติไม่ได้มีอะไรอย่างนั้นตามกฎเหล็กข้อแรกสุดคือทุกสิ่งต้องเปลี่ยนแปลงไปหากคันมาใส่ใจกับคาว่าคู่บุญและคู่บาปแทน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 ประเภทขัดเคืองใจนิดหน่อยก็เหมาว่านี่คู่เวรของเราหรือประเภทต้องตาต้องใจเมื่อเริ่มพบก็เหมาว่านี่แหละคู่แท้ของฉันใจของคนและสัตว์ทั้งหลายพร้อมจะแปลเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าเจอคนที่ใช่ใจคุณก็พร้อมจะจริงแต่ถ้ายัางไม่ใช่ใจคุณก็พร้อมจะแกวง่ง ถ้าต้องตาเมื่อเห็นถ้าเย็นใจเมื่อใกล้อันนั้นก็เป็นคะแนนทางความรู้สึกด้านดีชั้นแรกต่อเมื่อมีความผูกพันผ่านเหตุการณ์ดีร้ายหรือที่เรียกง่ายๆว่าร่วมทุกร่วมสุขด้วยกันตรงนั้นค่อยเป็นคะแนนสะสมในชั้นต่อๆมากระทั่งปากใจเชื่อได้ว่าเป็นคู่บุญกันจริงๆยิ่งครบพร้อมขึ้นเท่าไหร่ยิ่งชัดเจนขึ้นเท่านั้น ถึงบุญเก่าไม่ดีไม่ค่อยเจอใครรักจริงหวังแต่งก็คิดดีเพื่อสั่งสมบุญใหม่ได้ฝึกหัดตั้งแต่ยังไม่เจอคนรักฝึกเอากับคนรอบตัวคิดเกื้อกูลคิดดึงดูดและคิดรักษาศีลโชคดีทางความรักก็เกิดเองไม่ช้าก็เร็วใช้ชีวิตให้ผ่านไปนชาติหนึ่งแบบคนมีความสุขทางความรักนั้นยาก เราต้องอาศัยทั้งบุญเก่ากับบุญใหม่ประกอบพร้อมคนบุญเก่าดีแต่เหลืองด้วยความไม่รู้ก็สร้างบาปใหม่ให้ชีวิตรักอับปางได้ขณะที่คนบุญเก่าไม่ดีแต่คิดได้แบบอ่านเกมออกก็สร้างบุญใหม่สร้างดวงใหม่เองโดยไม่ต้องรอไม่ต้องง้อบุญเก่าเลย หมายเหตุผู้อ่านบทความตาสว่างรับอรุณนั้นนำมาจากเพจดังตรินเขียนโดยคุณดังตรินซึ่งหลายครั้งอาจจะมีบทความซ้ำกันบ้างในบางท่อนกับบทความก่อนหน้านี้แต่มาจจะมีเนื้อหาหรือข้อความเพิ่มเติมเพื่อขยายความมากขึ้นก็ขอให้ถือสว่าเป็นการฟังทบทวนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับ